ที่จะให้คำแนะนำหรือชี้แนวทางในการปฏิบัติบางครั้งในการแสวงวบุพกาอาจารย์ผู้ให้แนวและแนวทางปฏิบัตินั้นบางทีก็ อ, อาจผิดพละซึ่งไม่ตรงกับหลักแข่งความเป็นจริง ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา <c oughs> แต่ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าสมาธิคำว่าสมาธิคือความสงบจิตนันเป็นความจริงอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อ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 เหมือนกันหมดจะเป็นาศาสนาพิษาศาสนาพราหมณ์หรือาศาสนาพุทธก็ตามหรือแมล่ลัทธิอื่นๆที่มีการทำสมาธิเมื่อทำจิตให้สงบเป็นสมาธิลงไปได้มีลักษณะอย่างเดียวกันหมดถ้าสมาธิแตกต่างกันสมาธิก็ไม่ใช่สัจธรรม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 การทำสมาธิใครจะทำในท่ายืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้หรือในบางละทิเขาสามารถที่จะเอาศีรษะปักลงกับพื้ น, นแล้วก็ชี้ข่าึืออาขาขึ้นป้าทำสมาธิอยู่ได้เป็นชัช่วโมงชั่วโมงเขีนพวกละทิทีเปลือยที่เขายังมีการปฏิบัติกัน อยู่ในประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นสมาธิตั้งแต่ระดับฌานขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่คือปฐมฌานโุติยะฌานตติยชฌานจะตุถะฌา น, านเป็นสมาธิสาธารณะทั่วไปทุกละที่ที่มีการปฏิบัติสมาธิ สมาธิตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงชานขั้นที่สี่เป็นสมาธิขั้นปฐมในเมื่อผู้ที่ทำสมาธิถึงชานขั้นที่ 4, สี่สถถแล้วมีทางแยกไปตามละทัิและความเข้าใจของแต่ละศาสดาศาสด า, า, าในาศาสนาพรามเมื่อเขาทำจิตถึงชานขั้นที่สี่ แล้วเขาก็ดําเนินจิตไปสู่อาคาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเดวสัญญานาสัญญายตนะไปสมาบัติแปด ท, ทีนี้ผู้ทําสมาธิสําเร็จสมาบัติแปดในเมื่อตายไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกแต่ในละททศศาสนาพราหมณ์เขาถือว่านิพพานของเขาเมันกัน เพราะขาไปกําหนดเอากันตรงที่ว่าในเมื่อจิตไปอยู่ในสมาบัติขั้นที่แปดคือเนวสัญญาณาสัญญาเจตนะในเมื่อมองดูจิตภายในแล้วจะรู้สึกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันเป็นของละเอียดจริงละเอียดจริงๆผู้ที่มีปัญญายังไม่ละเอียดเพียงก็ยังเข้าใจว่าสมาบัติขั้นนี้เป็นปนานิพาน ตามความเข้าใจของเขาแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ในตอนที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เคยศึกษาในลระเทศของศาสนาพราหมณ์มาก่อนจนสามารถทรําเจ็บของพระองค์ให้บรรลุถึงสมาบัติขั้นสูงสุดคือเนวสัญญาณาสัญญายัตนะ ในตอนแรกๆพระองค์ก็คิดว่าพระองค์สําเร็จแล้วเหมือนกันแต่เมื่อออกจากฌานสมาบัติขั้นนั้นมามาสู่ภาวะความเป็นอยู่อย่างปัจจุบันนี้อย่างเหมือนๆที่เรากำลังนั่งฟังเทศกันอยู่นี้ในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลล้นได้รสกายสัมผัสก็ยังรู้สึกว่ามีความยินดียินร้ายพอใจแหละไม่พอใจ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 ในเมื่อเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจกิเล็กดยอุภาทานเราจะไปหักข้ามสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เป็นไปตามกฎ ธ, ธรรมชาติของเขานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้พาหากเราไปเผยนเมื่อไหร่ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเมื่อนั้นเช่นความแก่เกิดขึ้นมาเราไม่อยากแก่เราก็ทุกข์ความเจ็บมาถึงเราไม่อยากเจ็บเราก็ทุกข์ หรือเจ็กแล้วอยากขายขายไม่ทันใจเราก็ทุกยิ่งความตายเข้ามาถึงแล้วเราก็ยิ่งทุกข์กันใหญ่เพราะเรากลัวตายที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเราฝืนกฎของธรรมชาติทีนี้พระองค์มาพิจารณารู้ซึ้งเห็นจริงในกฎของธรรมชาติเกตของพระองค์ยอมรับสภาพความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินั้นๆอย่างซึ้งถึงจิตถึงใจ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 ในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็เป็นผู้สนใจในการที่จะปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามกฎของธรรมชาติอาตมาจึงจะนำหลักการในเบื้องต้นมาเสนอแนะพอเป็นแนวทางพิจรารณาให้ตามหลักอารักรรมฐานสี่ โดยมีพุทธานุสติการละลึกถึงคนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการเจริญเมตตามีอสุภกรรมฐานการพิจารณากายให้เห็นเป็นของปฏิกลู่าเกลิโสโุกมรณะสติละ ล, ลึกถึงความตายคือพิจารณาความตายของคนอื่นสัตว์อื่นและของตนเองอันนี้เป็นอารักะกรรมฐาน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 อันนี้พระองค์เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์พระองค์เป็นผู้มีพระไทยปประกอบด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่สู่สาความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวนัยสั์ให้รู้จักบาปบุญคุณุโทษประโยชน์ละไไม่ใช่ประโยชน์จนกระทั่งให้บรรลุมรรคผ ล, ลนิพพาน อันนี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหาการุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาการุณาธิคุณนั้นแม้ว่าพระองค์จะทรงทราบว่าเมยนยศาสตร์ผู้ควรรับพระธรรมเทศนาจะอยู่ใกล้ไกลสักปันใดก็ตามก็ทรงอุตสาห์เสด็จไปเทศนาโปรดให้เขาตั้งอยู่ในมรรคผลนิพพานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้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 นึกในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในจิตพระธรรมก็อยู่ในจิตพระอ ร, ริยสงฆ์ก็อยู่ในจิตแล้วก็นึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามครั้งแล้วก็มากําหนดนึกสํารวมเอาคําเดียวคือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้ที่ใจ หรือบางท่านอาจจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโพลพร้อมกับลมออกก็ได้แล้วแต่สะดวกที่นี้ถ้าหากว่าการนึกพดพร้อมลมเข้าโพลพร้อมลมออกนั้นจังหวะแห่งการหายใจอาจจะห่างไปจิตยังมีช่องว่างที่จะส่งกระแสออกไปในทางอื่นก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วให้นึกพุทธโพลเร็วๆเข้าพุทโพลพุทโพลพุทโพเร็วๆ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 รู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปเองในเมื่อมีการเนึกพุโธพุโธพุโธพุโธไม่ขาดนึกอยู่อย่างนั้นในเมื่อถึงการถึงเวลาพอสมควรแล้วจิตจะสงบลงไปเองในตอนแรกๆนี้ถ้าหากว่ามีอาการเคลิมคล้มๆเหมือนกับจะง่วงนอน นั่นสอสแสดงว่าจิตกำลังเริ่มจะสงบลงไปแล้วให้แร่งบริกรรมภาวนาเข้าภาวนาเบาๆให้นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธเบาๆอย่าให้มีอาการปวดละืขมความรู้สึกหรือประสาทในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามทำให้สบายที่สุดทั้งกายและใจเนึกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงว่าเวลาอันสมควร ทีนี้ถ้าหากว่าจิตมีอาการเคลิมลงไปคำเลิกว่าพุโทโธพุโทโธซึ่งเรียกว่าปริครมภาวนานั้นเมื่อจิตมีอาการเคลิมลงไปเกิดสว่างขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแล้วรู้สึกว่าคำว่าพุโทโธจะหายไปในเมื่อพุโทโธหายไปเช่นนั้นแล้วให้ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียว เหลอไม่ฉะนั้นก็น้อมจิตไปสู่ลมหายใจเข้าหายใจออกกําหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแทนคำว่าพุทโธกําหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างนั้นในขณะที่จิตกับบริกรรมภาวนาก็ดีหรือจิตกับลมหายใจเข้าออกมีความสัมผัสกันโดยไม่ขาดะยะก็ดีบางทีอาจจะมีอาการ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 มีความสว่างสวยัยรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวร่างกายไม่ปรากฏแล้วในตอนนี้ลมหายใจก็หายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวร้วนๆสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าจิตถึงอัปนาสมาธิจิตถึงอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ท่านเรียกว่าปฐมมจิตปฐมวิญญาณมโนท เป็นแต่เพียงจิตสงบเข้าไปสู่สภาวะความเป็นเดิมของจิตที่ยังไม่ที่ยังไม่ส่งกะระแสออกมารับรู้อารมณ์ภายนอกแม้ว่าจิตในขั้นนี้จะยังใช้การอะไรไม่ได้ก็ตามให้ผู้ปฏิบัติพยายามเเาีเพียนพยายามทำให้ได้อย่างนี้บ่อยๆเข้าแล้วจิตจะค่อยเพิ่มพลังขึ้นมาเอง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 ความจริงนั้นเมื่อจิตอยู่ในอัปนาสมาธิในขั้นนี้จิตจำไม่มีสิ่งรู้ไม่มีสิ่งเห็นมีแต่จิดตดวงเดียวล้วนๆที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เท่านั้นอันนี้จิตอยู่ในขั้นสมาธิย่อมไม่มีภูมิความรู้เกิดขึ้นถ้าหากสมมติว่าผู้ปฏิบัติแล้วจิตเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาความรู้ขึ้นมาได้อย่างไร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 เมื่อเจตน์ถอนออกมาออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็เลิกจากการกำหนดจิตเลยทีเดียวถ้าปล่อยทำอย่างนี้เรื่อยๆปัญญามันก็ไม่เกิดเพื่อจะให้ปัญญาเกิดเมื่อเจตนถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอมาเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นให้กำหนดตามรู้ความคิดนั้นไปอย่าอย่าไปปล่อยอย่าไปละโอกาส แม้ว่าเจตจะถอนออกมาโดยไม่มีพลังแห่งสมาธิเหลืออยู่ก็ตามให้กำหนดตามความคิดท่านไปเรื่อยๆเจตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่รู้เฉยๆอย่าไปช่วยวิาพาววิจาร์ใดๆทั้งสิ้นแล้วเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ปัญญาของผู้ปฏิบัติจะค่อยเกิดขึ้นมาเอง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 สติตัวนี้จะกลายเป็นสตินสีเรียกว่าสติเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงเมื่อมีความคิดอันไดเกิดขึ้นก็อาศัยสติเป็นใหญ่นั่นเองสติจะคอยจ้องมองตามระยะแห่งความคิดไปเรื่อยทีนี้ความคิดที่เกิดขึ้นและสติเป็นผู้คอยควบคุมอยู่นั้น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 จึงอยู่ในเมื่อเราโูดกันตามหลักพิชาโทธานุสติเป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานทีนี้บางท่านกล่าวว่าการภาวนาพุทโธนั้นจิตสงบลงได้เพียงแค่พพเพียงแค่สมถะกรรมฐานเท่านั้นแต่โดยข้อเท็จจริงที่ได้ทดสอบกันมาแล้วการบริกรรมภาวนาทุกอย่าง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 อสุภะเจอความไม่สวยไม่งามปฏิโกูลน่าเกลียด โ, โคกทั้งปัจจุบันทั้งที่ถึงแก่วความตายไปแล้วโดยน้อมนึกพิจรารณาเอาวัะผมก็เป็นของปิติโกนขนก็น เ, เป็นของปฏิกูลและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโศกเป็นอุบายที่ให้จิตใจของเราน้อมเชื่อลงไปว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ พิจารณาทอบทวนอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกท่านทั้งหลายเคยเรียนวิชาแพทย์มาแล้วการพิจารณาอาสุภกรรมาฐานนี่เป็นของง่ายที่ว่าให้พิจารณาผมขนเล็ปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั้นตามหลักของอาการสามสิบสองลึกกายกตาสติอันนี้ท่านเขียนไว้เป็นตำลับตำราท่านผู้ใดสมัครใจที่จะพิจารณ า, าสุภาษกรรมาฐาน ท่านอาจจะน้อมนึกถึงอดีตที่ท่านเคยเรียนวิชาแพทย์มาท่านเคยผ่าศพมาพิสูจน์ผ่าตัดไส้ไส้พุงอะไรต่างๆที่มีอยู่ในกายของมนุษย์นี้ที่ท่านยิบมาด้วยมือแล้วก็ดูด้วยตารู้ด้วยใจน้อมเอาอาดีตสัญญาอันนั้นหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานเซิงบางท่าน เคยแนะนำให้พิจารณาสุภาพกรรมฐานท่านก็บอกว่าหลักตาลงเดี๋ยวนี้ก็อมองเห็นเดี๋ยวนี้เพราะว่าเคยเล่นมาซสจนแหลกละเอียดมาแล้วแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องสัญญาทีนี้เราเอาเรื่องสัญญาอาดีตของเราที่เคยเรียนผ่านมานั่นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานพิจารณาไปฉันอย่างสมมติว่าเราอาจจะพิจารณาว่า หัวใจมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมานั่นยแหละห้งลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิต ด, ด้วยใจกันจริงๆในตอนแรกๆนี่เราอาศัยสัญญาที่เคยเรียนมานั้นน้อมนึกเป็นแนวแนวทางเอาไว้ก่อน